บานนี้เธอจะอยู่ไหนเวลาที่ไกลกันและแม้มันจะนานนานเท่าไรที่เฝ้ารอเวลาก็รู้ดีว่าเธอเงาและฉันเองก็ไม่ตายแต่ยิ่งเหงาสักเท่าไรแต่ข้างในยังคิดถึงท่ามือเธอ มองไปที่ฟ้าไกลที่ดวงดาวคู่นั้นดวงตาของฉันเฝ้ามองและแสงที่เธอสัมผัสเชื่อมความคิดของเราให้ถึงกันดูอาทิตย์นั้นยังกลดวงใจาดาวนับร้อยนับพันกล้กี่ปีแสงแม้ไม่ได้เจอฉันคิดถึงเธอยังเฝ้ารอวันเวนลา รามที่ท้องทะเลยังไกลจากููเขาแม้ว่าเราจะไกลสักแค่ไหนฉันยังเหมือนดิสิ่งเหล่านั้นยังเหมือนดิยังเฝ้ารอเธอคนเดียวถึงหัวใจสัญญาจากวันนั้นยังคงไม่ลืมลืม บอกว่าเราจะรอรอถึงวันที่ได้พบกันอีกครั้งแม้ที่เธออาจเผลอหากใครทำเธอไว้ว้นก็ขอให้เธอได้ลองลองนกดูที่ฉันพูดไว้เธอมองไปที่ฟ้าเพลย์ที่ดวงดาวคู่นั้น ดวงตาของฉันเฝ้ามองและแสงที่เธอสัมผัสชื่อมความคิดของเราให้ถึงกันดวงอาทิตย์นั้นยองใกล้ดวงจันทร์ดาวนับร้อยนับพันสุดใกล้กี่ปีแสงแม้ไม่ได้ใจฉันคิดถึงเธอยังเฝ้ารอวันเวลาผพานไปตราบที่ท้องทงเลยใใังกลจึกภูเขาแม้ว่าเรา จะไกลสักแค่ไหนฉันยังเหมือนเดิมสิ่งเหล่านั้นยังเหมือนเดิมยังเฝ้ารอเธอคนเดียวทั้งหัวใจเก็บเอาไว้รอจังถึงวันที่ ทูเรื่องราวดีๆที่เราได้ดีในวันนั้นดวงอาทิตย์นั้นยังใกล้ดวงจังดาวนับร้อยนับพันจะใกล้กี่ปีแสงแม้มีเธอฉันคิดถึงเธอยังคงรอวันวันลไล่โทษใบตรากีท่ทองทะเล จะไกลสุดแค่ไหฉันยังมืนเดิมถึงเหล่านั้นยังเหมือนเดยังเรอธเียวถึงหัวใจฉมีทสไม่กคอน ฉันยังเหมือนเดิมสิ่งเหล่านั้นยังเหมือนเดิมยังเฝ้รารอเธอคอย